พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่สามคามสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสามคามมูลเหตุวิวาทอธิกรณ์สารณียธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าหมู่บ้านสามคามแขวนสักกะสมัยนั้นแหละนิกฤต น, นาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวานิกฤนทั้งหลายได้แตกกันเป็นสองฝ่าย ต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาสกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่แม้พวกสาวกผู้เป็นเครหัขันนุ่งขาวห่วมขาวก็เป็นผู้เบื่อนนายคลายความรับรู้สึกท้อถอยในหมู่สิทธิของนิครทนตนาตบุตรทั้งนี้เพราะธรรมวินัยที่นิครทนนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายเสียแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยครั้งนั้นพระจุนทะสมนุษเทศหรือสามเณรจุนทะผู้เป็นน้องของท่านพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ในกรุงปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอานนุ์ถึงหมู่บ้านสามคาม เล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านพระอานนท์จึงชวนกันไปเข้าเป้ากราบถูนเรื่องนี้ให้ทรงทราบและกราบถูนอีกว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปความวิวาอย่าได้เกิดขึ้นในสงเลยเพราะความวิวาทนั้นเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกือ้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือธรรมะทั้งหลายคือสติปัะธานสี่สมัตประธานสีอิทธิบาทสี่อินรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ด อริยมรรคมีองค์แปดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเธอเห็นภิกษุของเราแม้สองรูปมีวาท่าต่างกันในธรรมะเหล่านี้บ้างไหมท่านพระอานนทกราทูลว่าไม่มีเลยแต่มีบุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลบไปพึงก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสง์ เพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปาติโมกขันเคร่งครัดอานนท์การวิวาทที่เกิดเพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปาติโมกขันเคร่งครัดนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยความจริงการวิวาทใดเมื่อเกิดในสงฆ์พึงเกิดร่อ ม, มักหรือปฏิปทาการวิวาทนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกือ้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุบแก่คนหมู่มาก เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมูลเหตุแห่งการวิวาอานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาท ห, หาราประการนี้มูลเหตุแห่งการวิวาสหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิไ น, นัยนี้เป็นผู้มากโกรธมีความผูกโกรธเป็นผู้ลบลู เป็นผู้ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรนีเป็นผู้โอวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่และไม่ทําศิกขาให้บริบูรณ์ ภิกษุนั้นยอมก่อการวิวาทที่เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากถ้าเธอทั้งหลาย พ, พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอก เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้ละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนนอธิกรณ์สี่ประการนี้คือหนึ่งวิวาทาธิกรณ 2. อ, อนุวา ท, าทิกร 3. าอาปัตต า, าธิกรและสกิจจาธิกรอธิกรมีสี่ประการนี้แหละอธิกรณะสมถะเจ็ดประการนี้คือ 1. สมมมุขวินยัยสสติวินยัย 3. อมูลหาวินยัย 4. ปติญญาตกรณะห เยผุยยสิกาหกตัดสปาปิยสิกาและเจ็ดตินวัทธารกะอธิกรณะสมถะเจ็ดประการนี้อันสง์พึงให้เพื่อสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส ม, มุขาวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ยอมวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมบ้าง นี้ไม่เป็นธรรมบ้างนี้เป็นวินัยบ้างนี่ไม่เป็นวินัยบ้างภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติครั้นพิจารณาแล้วพึงให้อธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องในธรรมเนตินั้นลงกันได้อาหนนสา ม, มุคาวินัยเป็นอย่างนี้ การระ ง, งับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวิไนนี้ย่อมมีได้ด้วยสัมุ ข, ขวิันยอย่างนี้เยปุยยสิกาเป็นอย่างไรคือภิกษุเหล่านั้นไม่อาจจะระ ง, งับอธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้จึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกว่าภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเรียงกันประชุมในอาวาสนั้น ครั้นประชุมแล้วพึงพิจารณาธรรมเนติครั้นพิจารณาแล้วพึงให้อธิกรณ์นั้นระ ง, งับโดยอาการที่เรื่องในธรรมเนตินั้นลงกันได้อานนนเยพุยยาสิกาเป็นอย่างนี้การระ ง, งับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวิไนนี้ย่อมมีได้ด้วยเยปุยยสิกาอย่างนี้สติวิัยเป็นอย่างไร คือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกว่าท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกเมื่อเป็นเช่นนี้สงพึงให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้นอานน์สติวินัยเป็นอย่างนี้การระ ง, งับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสติวินัยอย่างนี้อมูลหาวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้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 ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดพล่ามไปแล้วนั้นไม่ได้เลยข้าพเจ้าลืมสติได้ทำกรรมนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สงึงให้อมูลหาวินัยแก่ภิกษุนั้นอ น, นุนอมูลหาวินัยเป็นอย่างนี้การระ ง, งับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ยอมมีได้ด้วยอมูลหาวินัยอย่างนี้ ปติญญาตการณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกกล่าวหาก็ตามไม่ถูกกล่าวหาก็ตามย่อมระลึกเปิดเผยทำอาบัตินั้นให้ชัดเจนได้ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุผู้แก่กว่าห่มจีวรเฉวงบากราบเท้านั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้แล้วขอแสดงคืนอาบัตินั้นภิกษุผู้แก่กว่านั้นกล่าวว่าท่านเห็นหรือเธอกล่าวว่าขอรับข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้แก่กว่านั้นจึงกล่าวว่าท่านพึงสำรวมต่อไปเธอกล่าวว่าข้าพเจ้าจักสารวมอนนปติ ญ, ญาตการณ์เป็นอย่างนี้ การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวิไนน์นี้ยอมมีได้ด้วยปติญญาตะกาวระอย่างนี้ตัดสปาปิยาสิกาเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวิไนนนี้ยอมกล่าวหาภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้คือป ร, ราชิกหรือใกล้เคียงป ร, ราชิกว่าท่านระลึกได้รู้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นป่านี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกภิกษุผู้กล่าวหานั้นพึงปลอบโยนเธอผู้กล่าวแก้ตัวว่าเอาเถอท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นป่านี้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 ท่านจงตรองดูให้ดีถ้าท่านระลึกได้ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือป ร, ราชิกหรือใกล้เคียงป ร, ราชิกภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายความจริงข้าพเจ้าต้องอาบัติเพียงเล็กน้อยนี้แม้ไม่ถูกใครถามยังรับสารภาพทำไมต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้คือป ร, ราชิกหรือใกล้เคียงป ร, ราชิกเมื่อถูกถามแล้วจะไม่รับสารภาพละ่ะ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 ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ากําลังระลึกได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัตหนักเห็นป่านี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้วคําที่ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงอาบัตนั้นไม่ได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัตหนักเห็นป่านี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปราชิกนี้ข้าพเจ้าพูดเล่นพูดพลั้งไปอานุ์ ตัดสปาปิยาสิกาเป็นอย่างนี้การระ ง, งับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวิไนัยนี้ย่อมมีได้ด้วยตัดสปาปิยาสิกาอย่างนี้ตินวัถารกะวิไนเป็นอย่างไรคือกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเรียงกันประชุมภิกษุผู้ฉลาดกว่าพิษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันพึงลุกขึ้นจากอาสนะอมจีวรนชวเหียงบากระบของอัญเชลีแล้วประกาศให้สงทราบว่าข้าแต่สงผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า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 เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนอาโนนตินวัฏฐารกะวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยตินวัฏฐรกะวินัยอย่างนี้ธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอาโนนสารณิยธรรม คือธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารณิยธรรม6ได้แก่ 1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรม 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมส ตังมั่นเมตตาโนกรรมในเพื่อนพระมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง 4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายที่ชอบรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาตก็บริโภคโร่วมกับเพื่อนพระมจารีทั้งหลายผู้มีศีล 5- เป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนปรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 6. เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนปรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังอา น, นุนสารนียธรรมหกประการนี้ทําให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมทานสารณียธรรมหกประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั่นไว้ไม่ได้บ้างไหมท่านพระ อ, อ น, นุ์กราบทูลว่า ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารนียธรรมหกประการนี้แล้วประพฤติเถิดการประพฤตินั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้และจบสามะคามสูตร